เวลานี้เรามาฝึกกรรมาฐานกรรมาฐานเนี่ยเป็นสูตรที่ทำให้เกิดเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาพระพุทธเจ้าไม่ได้เกิดขึ้นตัดสลู่เพราะชาติตระกูลเป็นสามันชนคนธรรมดาแต่เป็นสมุติเทพ เป็นเจ้าพระชายเป็นส ม, มุดติเทพเมื่อมาฝึกกรรมฐานจึงเป็นบริสุทธิ์ตีเทพขึ้นมาเป็นความบริสุทธิ์ในภพใิชาติสามัญชนจองเปิดเพื่อนโลกอยู่ จึงไม่ใช่ชาติตโกลวันนะใดๆจากการที่ได้ศึกษามาหลายแบบของเจ้าพ่อชายสิทธัตถะจบมาสิบเกศาสตร์ยิงธนูเขียม้าปันดาบ นอนกันเกิดเป็นศาสตร์ทั่วๆไป <c oughs> แต่ว่าเมื่อมาฝึกกับมฐานเนี่ยทำห้เกิดเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยองค์จึงกระตือรือร้นประกาศเรื่งนี้กันต้นๆที่ว่าสุดสุดเอกเอกะมรโควิสุทธิยา ใครจะเปื่อนๆอย่างไรมาเป็นแบบไหนา่าถ้ามาฝึกตรงนี้ก็สะอาดบริสุทธิ์ได้เราจึงต้องไม่ต้องลังเลสงสัยให้กระตือรือล้นชักดอยโดยเพาะชีวิตของเราเนี่ย ประสบการมาหลายอย่างเป็นสุขเป็นทุกข์เหมือนเหมือนกนอันสุขป็นทุกข์อันโกรธอันโลภหลงยังมีอยู่เมื่อไรมันจึงจะหมดไปเราจึงต้องมาฝึกหนัดกัน เว่าสติปัฏฐานต้องประกอบขึ้นมาเอากายเป็นตำลาเอาใจเป็นตำลาเอากายเป็นหลักสูตรเอาใจเป็นหลักสูตรมีสติเข้าไปดูว่าจะแสดงออกมาให้เห็นในลักษณะต่างๆ เห็นกายมันเป็นุ่นเป็นก้อนต่อไปมันจะไม่ใช่กายมันจะมีอะไรเกิดขึ้นกับกายแล้วก็ไปหลงเป็นภพเป็นชาติเป็นตัวเป็นตนไปกับกายหลายภพหลายชาตินับไม่ถ้วนพบภาวะที่เกิดกับกายมีหลายแบบ อันเราก็จะต้องเห็นมันแต่อย่าลืมความรู้สึกตัวมีสติอย่าหลุดออกไปเกาะหลักเอาไว้ให้รู้อยู่กำนดรีอวดอยู่บางทีมจะหลุดออกไปก็กลับมาตั้งไว้ฐานในการกระทําตั้งไว้เหมือนเดิมหัดให้เป็นเหมือนเราหัดการหัดงาน เราหัดพิมพ์ดีถัดลูกคิดทีแรกก็ใส่ใจเอามือลำดับยืดยี่เสาสีเหงารักชิกโวยอะไรต่างๆเป็นสูตรปากเป็นผู้ว่ามือก็ลิ้นไปวจะหัดมัน ถ้าหัดไปกับปากที่พูดมือก็ไปทุกนิว้วต่อไปเมื่อต้องไม่ต้องหัดมันชินมันก็เป็นไปเองหรือเล่นดนตรีเป่าแคนสีซอดีดกีตาร์หนอตาเป็นนักเล่นดนตรีเหมือนกันสมัยเป็นหนมเจยก็อ่านโน้ น้ตก็มีอะไรลาโดลาซอนลาซอนลาเมซอนซอนซอนมีซอนโดซอนลาสับกันไปลาลามันอยู่ที่ไหนลูกลาเนี่ยมันอยู่ที่ไหนเอามือค้ำไปต่อไปไม่ต่อไปลาเนี่ยมันไม่ใช่ลูกเดียวไม่อาจจะสองลูกหรือสามลูกเป็นสร้อยเข้ามาให้มันฟังเพราะ ถ้าลูกเดียวมันไม่ใช่ดนตรีมันต้องประกอบกันหลายเสียงเอามือค้ามไปค้ามไปค้ามไปได้เสียงก็โดไม่อยู่ที่ทุกไหนลาโดลาซอนซอนมีอยู่ที่ไหนข้ามไปมือมันเคยค้ามไปก็ ม, ป ม, มีสูตรมีโน้ตมือก็ค้ามไปเต้นไปตามโน้ต ชอบช้าไปเอาไปมาก็ไม่ได้บอกมันมือมันไปเองมันชินมันเป็นมันทำเป็นไม่ใช่ความรู้อัดมือก็ไม่ได้บอกมันมันเคยมันก็เป็นไปนี่เรีว่าทำเป็นอันนั้นถัพิมลี หิมดีดมือเต้นไปเองดีดไปตามหรือคอมพิวเตอร์ตาไม่ต้องดูมือมันเต้นไปตาอาจจะอ่านหนังสือโดยมือมันเต้นไปแล้วก็ไ ว, กว้กเขียนโกจะเขียนคําหนึ่งตัวอักษรตัวสองตัวสามตั ว, ตวแต่ถ้ามือ กด๊บเป็นตัวหนังสือ <c oughs> ขึ้นมาไม่ต้องมีอุปกรณ์อะไรเพียงมือสัมผัสอันนี้ก็การสัมผัสรู้สักตัวเราใช้สัมผัสเฉยๆใส่ความรู้เข้าไปในส่วนประกอบหายใจก็จะหายทิ้ง ถ้าจะใช้ลมหายใจเป็นสภาพที่รู้แระพิบตาก็ใช่ดูบ้างเกินบายก็ใช่ดูบ้างเคลื่อนไหวหยับๆยาบกลางอยา่างละเอียดแม้แต่ไม่คิดก็ให้รู้จะมันชำเนยชำนานขึ้นมาหัดอย่างนี้ต่อไปก็ไม่ต้องหัดมันเป็นไปเองภาพสภาวะที่รู้มันชานานในริบท่างๆ แต่ก่อนไม่ชำนาญไม่ได้ใช้มีแต่เหตุอื่นเกิดขึ้นเป็นสุขเป็นทุกข์ในความหลงความคิดตาหูจมูกลินกายใจรูปรถกินเสียงหลงไปปัจจัยให้เกิดความหลงคลองเราทั้งหมดเราไม่ได้ฝึกแต่ที่ปัจจัยที่เกิดความหลงเอามา ฝึกเป็นความรู้ซะความหลงอยู่ตรงไหนความรู้อาจจะอยู่ตรงนั้นแทนที่ได้หมาชาวนาชาวไร่ทำนาปลูกข้าวทำไร่ปลูกข้อยปลูกบานปลูกพืชมันมีหญ้าแล้วก็ปักพืชของเราลงไปแล้วก็เกิดพืชใหม่ขึ้นมา อย่างทางร้านทิศเหนือเหนือลาหอใจเนี่ยแต่ก่อนเป็นป่ายญ้าคาป่าพงใช่ไม่ได้ใช้งานไม่ได้นี่แต่งูชงอางนี่เสือเหลืองด้วย <c oughs> แต่ไม่ก่อนนะเดี๋ยวนี้เอาต้นยางไปปลูกใส่ก็กลายเป็น ใช่ได้สะดวกแล้วก็สิ่งแวดล้อมเกิดขึ้นกับมิเหตุเหตุละงกูกินตลอดปีไล้ดรดูผ ล, ลค่อยเกิดประโยชน์ขึ้นมาจากกายของเราจา ก, กจิตใจของเราเจ้าบ้านเจ้าเรือนคือความหลงความสุขความทุกข์ิเลสพันห้าตัณหาร0อยแปดต่อเราเพิกไป สติมันก็ไปคลองสะแทนที่สเหมือนก็เก้าอี้เราดั่งอยู่ก่อนเราไปนั่งอันเดียวเรานั่งอยู่ก่อ น, น, อ, น, น, อ, อ, นอันมันก็เข้ามาไปได้ไม่ได้ไปห้าม <c oughs> สภาพที่หลงสภาพที่รู้่ะแต่ก่อนความหลงไปใช่หมดเลยความสุขความทุกข์ออกไปใช่หมดเอย แต่วัตถุกาลโมคุณตาก็เป็นวัตถุแห่งกาลโมคุณหูก็เป็นวัตถุแห่งกาลโมคุลหลงไปทางตาทางหูสุกสุกทุกทุกนนี้มันรู้มันรู้มันก็แทนที่สภาพที่ไปรู้สึกตัวอยู่กับกายกับใจกับตากับหูมันก็เป็นประโยชน์ขึ้นมาได้เป็นประโยชน์ขึ้นมาโทษหมดไป อย่างนี้เป็นกอบเป็นกรรมขึ้นมาไม่ฟรีตํามอื่นจะจะฟรีได้ผิดว้างถูกบ้างได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ว่าการเจริญสติเนี่ยถ้ามันดูเม่าใดก็ได้ทันทีเป็นปัจจดตังเป็นอาคลิกัธรรม ไม่มีการไม่เีเวล า, วลาต้องทำด้วยตนเองขอร้องให้ใครมาช่วยไม่ได้แบ่งให้คนอื่นก็ไม่ได้เป็นอริตเชาภายในตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้เป็นเรื่องที่น่าขยันไม่ใช่ว่าเสี่ยงเหมือนทำวันอื่นตามงเงินแต่เสี่ยง ต้องมีการมีเวลามีสถานที่แต่ว่าการฝึกสติไม่มีสถานที่การเวลาไม่มีเป็นปจัจจดตังเมื่อไหร่ก็ได้จะดวกจะดวกเมื่อเมื่อทำเป็นเมื่อทำเป็นโดยใช้ความจำ เม่ทเป็นมันไม่ลืมเป็นมันไม่ลืมอันความจำอาจจะลืมอาจจะหลงลืมกับหลงอันเดียวกันหรือเปล่าไม่ใช่นะลืมหมายถึงวัตถุเจิงของหมายถึงชื่อเสียงเรื่องนามศัพทภาษาแต่ว่าหลงเนี่ยไม่ใช่ มีวัตถุอะไรมันเป็นนามนธรรมมันเกิดของมันเกิดเจ้าของกายเจ้าของใจหลงหลงออกหน้าหลงออกหน้าเมื่ออยากไม่ลึกเมื่อผึกแล้วลู้ออกหน้านำไปเลยแปลว่าที่ลูกชัดเกณฑแม่นยแจะทำรายจะคิดอะไรจะพูดอะไรแม่นยมชัดเกณไม่เลือนลาง มั่นใจทำอะไรก็มั่นใจไม่เสี่ยงนี่คือของจริงของไม่จริงกองรูมันเป็นของจริงความหลงของไม่จริงมาย่อมชนะความหลงกอง ร, องรูชนะทุกอย่างก็ว่าได้สิบทิศจารพัฒ ตารพัดหรือว่าพัดฉดินขี่ม้าขาวถ้าลูกจึกตัวเราใช้อะไรก็ได้ <c oughs> มีการกระทำมีการพูดมั่นใจองอาจแช้วกล้าไม่ไม่มีพรมด้อยในทุกขการในทุกเวลา จะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นแคดเกณฑแม่นยาำว่าะมันมีหลักหลักถูกท่องเอาจริงๆหนละมีแต่สาภาพที่หลงสาภาพที่รู้ตั้งต้นสาภาพที่รู้ความรู้สึกตัวก็ไปไกลถึงจุดหมายปลายทางถึงมรรคถึงผลสาภาพที่หลงก็ไปไกลถึงภพชาติฉลาดมลโสกะปะเทวทุกข์เกิดตายไป เราจะต้องให้ชีวิตของเราเป็นอย่างไรจะให้ชีวิตเป็นยังไงได้คิดได้ศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ศักดิ์สิทธิ์ในเรื่องคุณธรรมไม่ใช่ศักดิ์สิทธิ์เหมือนเหมือน ของไขของมันเป็นของส่วนรวมเดี๋ยวนี้เขาก็เผยแร่ศาสนาหลายรูปแบบรัฐวทวารก็บวชพระร้อยขัวลูปฉลองพระชมพรรษาของขบัติเจระเจ้าอยู่หัวรามกายกบวชพระเป็นเสลิม ตาพาขาวก็สร้างพระพุทธรูปฤาษีก็สร้างพระเผยแพ่แช่ ง, งกันกันแต่เราไม่ได้ทำแบบนั้นเราจะเผยแพ่กรรมาฐานเพราะมันเป็นต้นต้นของชีวิตของเราจะบวชหรือไม่บวชไม่เกี่ยว น่งผ้าชี้ใดมาไม่เกี่ยวเป็ชาติใดมาไม่เกี่ยวเป็นอันเดียวกันเอามือมือก็อันเดียวกันวางบนเข่าก็มืออันเดียวกันพลิกมือขึ้นก็อนเดียวกันยกก็เดียวกันลูอันเดียวกั น, ก อ, น, กนอันอื่นคนละแบบทำได้ทำไม่ได้ต้องอาศัยทรัพย์สินเงินทอง ม, มากง่ายบวดพระรวบนังก็สามพันบาท เป็นพระตามสมมุติปัญญาตของพ่อเหลืองโนผมอยู่ในวัดว่าอารามนั่นหรือพระแต่พระที่เราฝึกอยู่เนี่ยมันเป็นพระทางชีวิตจิตใจของเราประเสริฐแต่ว่าบวชคือเว้นความชั่ว ทำความดีทำจิตให้บริสุทธิ์ไปจากความชั่วหวันหน้าไปจูความดีความชั่วมีเท่าไหร่เพียรละความดีมีเท่าไหรเพียรทำจนทำได้สําเร็จจนไม่มีความชั่วเหลือพระเจ้า mm hmm. ยังตัดว่าชาติชิ้นแล้วคมไม่ชั้นจูจบแล้วจิตอื่นที่ทําไม่มีอีกแล้วไม่มีงานอีกแล้วแผ่นดินสุด สุดแล้วแผ่นดินสุดไม่ใช่แผ่นดินสุดที่เทพสถิตนะแต่ใครอยากดูแผ่นดินสุดไปดูอำเภอเทพสถิตจังหวัดชายภูมินาถึงหน้าผาแต่ข้างล่างมันไม่อยู่ไปไม่ได้ตรงนั้นหน้าผา ไปเดินอยู่ไม่ได้ไปเดินมองหน้าผ า, า ก, ก็มาตกใจไปไม่ได้ต้องกลับอันนั้นมาใช่แผ่นดินสุดแผ่นนี้สุดคือมันจบจ บ, จบซะความหลงเป็นขั้งสุดท้ายซะความทุกข์เป็นขั้งสุดท้ายซะความโกรธเป็นขั้งสุดท้ายซะไม่มีอีกแล้ว เย็นสนิบแล้วไม่มีไออุ่นเหมือนฐานไฟที่จับโมอดเนิบจับต้องเอามาวางขาวางแขนได้ไม่มีไออุ่นเย็นสบายชีวิตของเรามันควรจะเป็นอย่างนั้นจากเรารอบต้นตั้งต้นจากเราหนึ่งะเย็นให้มันมันจะไปเย็นกับคนอื่นอีกจริงพวกเราเนี่ยก็มี อยู่เป็นสัตว์สังคมมีครอบมีครัว ม, ม, มีผัวมีเมียมีลูกมีหลานพ่อแม่พี่นอ้องเพื่อนร่วมงานเราจะดิเกนไปเลยเห็นหน้ากันแลเกินใจทุกวนันทเห็นหน้ากันก็ร้อนใจทัวเข่าพวกเราเสื้อแดงเสื้อเหลือง อะไรเกิดขึ้นในบ้านเมืองของเราเกินที่จะมีความรู้มีเมตตากุณาออกหน้าจะพูดจึงใดประกอบด้วยเมตตาจะทําจิงใดประกอบด้วยเมตตาจะคิดจิงใดประกอบด้วยเมตตาทั้งต่อหน้าและรับหลังของเพื่อนมนุษย์สัพพจรทั้งหลายสมสารแม้กระทั่งเม็ดตินเม็ดหินเม็ดทราย สงสารอากาศสงสารแผ่นดินไม่ทำลายได้เวลานี่ก็เดินธรรมชาตาเป็นตัวแทนของธรรมชาติป่าไมา้แผ่นดินแม่นม้ำอากาศไม่ใช่เราสอนแต่คนเราต้องดูแลธรรมชาติอย่างน้อยเราก็รักษาพื้นที่ได้ห้าร้อยไร่บริสุทธิ์แผ่นดินทุกตะลางนิ้วก็ว่าได้ ไม่มีพิษไม่มีพยให้มีสารเคมีไม่มีกรมมกโซนให้มีปุ๋ยเคมีอะไรมีธรรมชาติปลูกผักกินก็ก็สารพิษน้ำก็ บ, บริสุทธิ์ให้เราไม่มีเครื่องกรองป่าป่าน้ำไหนจะเราก็ป่าไม้ดินกรองให้ เวลาน้ำตกฝนตกในป่านี้ก็ดูดซึมลงไปไปขังอยู่ในสระไม่ได้ไหลมาจากที่ใดน้ำไหลจากที่อื่นเราแบ่งให้ไปทางอื่นน้ำคุณเข้าสาะไม่ได้ไหลมาจากไร่ชาวนาชาวบ้านไม่ได้ไหลให้ไหลไปทางอื่นจนหนึ่งเป็นด้ำคุณ ส่วนหนึ่งก็เป็นน้มใสตัวที่ไปอยู่ในสะน้มใสของเรามันต้องกองแผ่นดินวนตกก็ไม่ค่อยน้มก็ไม่ค่อยไหลปลามาหลุดซึมลงไปผ่านแร่เหล็กในหินในดินไม่เหมือน อะไรอ่าโคลินโคลินเหมอนเขิวอน่นเราก็อาบได้แต่น้ำเรือแเ้วเอาน้ำผลเครื่องใส่น้มผลเนี่ยแท่งใหญ่ๆเนี่เกือบสองรอยแท่งกินได้ตลอดปีวันละร้อยคนไม่ขาดแ้วเนียงทำอยู่ เพื่อให้เป็นที่รองรับผู้คนจึงบอกใครมาที่นี่ขอเถิดมาบ้านเรามาอยู่ร่วมกันบ้านส่วนรวมของพวกเรามาแล้วก็ปฏิบัติันเดียวกันเป็นคนคนเดียวกันถ้าเรามีสติก็เป็นคนคนเดียวกันถ้าเรามีสติเมื่อกล้าความชั่วมันก็ทำความดีจิตใจก็บริสุทธิ์ ถ้าเรามีความหลงก็เป็นคนละคนกันไปพึ่งกันก็นไม่ได้แม้แต่ตัวเราเองก็พึ่งเราไม่ได้ก้มร้ายควมดีผู้ผู้แยบแยบไม่มั่นใจตัวเองไม่รู้จะเป็นยังไงความรักกายเป็นความเฉียดชังความรักกายเป็นความแค้นเฉืียใจฆ่ากันเพราะความรักก็มี รักแบบพระพุทธเจ้าเนี่ยยอดรักักที่สุดคือพระพุทธเจ้าอันอื่นไม่ใช่ไม่มีองคุยมานจับดาบไล่ฟันอยู่ยก็คิดจะช่วยอยู่เสมอจนช่วยได้ความรักของคนในโลกนะมันรัก ปลอมๆไม่จริงจังมารักกันมาเป็นคนคนเดียวกันเห็นใจกันเป็นเพื่อนเกิดเจ็บเจ็บตายด้วยกันที่นี่ก็ไลรเขียนต้อนรับไว้ที่นี่ไม่มีใครแปลกหน้ามิแต่ญาติพึ่งได้พบกันเราพบกันวันนี้แต่เราเป็นญาติกันมาก่อน หมวใจของเราเป็นอย่างใดจะมาจากไหนไม่ปฏิบัติธรรมก็ได้ว่าอยู่ให้มีความสุขมานอนที่นี่ไปกินที่โน่นนอนให้หลับกินให้อิม่มอย่าคิดหลายอาหารที่มีคนทําให้เรามีที่ให้อยู่ไม่ต้องเช่าไม่เข้าขกินไม่ต้องซื้อ <laughs> อ, อย่าไปเกงใจอะไรนี่คือประเทศไทยนี่คือพุทธศาสนานี่คือพุทธบริษัทสมัยยี่สิบกว่าปีก่อนคนอุณยกจิมาจากญี่ปุ่นเป็นหนมแล้วก็มีคนญี่ปุ่น ตามมาเขาบอกว่าไม่ทำงานก็มีกินหรือมีมีที่ไหนมีที่เนี่ยสุกโตะ <laughs> ตองทางาาก็ไม่กินไมู่่ว่เฉยก็ได้เฮ้ยมีคนที่เป็นทุกข์มากรักเสือไฮโรมามาอยู่ไหนเขบอกว่าให้นอนี่นี มีผ้ามาหอมนอนให้อิ่มนอนให้หลับไปกินที่นอนกินแล้วมานอนให้สบายอย่าไปคิดอะไรไม่ต้องทำอะไรว่าจะไปทุกข์เพราะความคิดตัวเองไม่ทำอะไรแล้วยังทุกข์เพราะความคิดคนเราเนี่ยทุกข์เพราะความคิดคิดขึ้นมานอนไม่หลับคิดขึ้นมากืนข้าวไม่ลง ไม่มีใครทําเรานอกจากเราทําเองอันนี้เราต้องหัดเอเองเวลานอนอย่าเรื่องหมาคิดนอนให้หลับก็อนอนเวลาคิดมันก็นอนก็ไม่ค่อยหลับหลับก็ฝันฝันไปกับความคิดกลางคืนว่าฝันกลางวันว่าคิด แล้วก็ฝันนั่นแหละคนนอนฝันไม่ค่อยนอนอิม่มแปดชั่วโมงถึงขึ้นมาก็อ่อนแออยู่ถ้านอนหลับสบายไม่ปรงไม่แต่งอะไรก็สดชื่นไม่ชิ้นเปื่องพลังงานการเจรเิญจิตนี้นเป็นการทานหอมรักษาสุขภาพ อย่างดีที่สุดเลยเลือดไหลเวียนตัวสะพางกายถ้ามีความกดดันมีความคิดมีอารมณ์พ่อเมยกระทบกระเทือนไปหลายอย่างกินข้าวก็ไม่ลงก็เพราะไม่ยืดเดวลากินข้าหาเรื่องมาคิดจนคอแห้ง เพราะไม่มีน้ำย่อยเพราะอารมณ์ของเราเนี่ยมันไล่กูเสือเสือไม่ค่อยกัดคนตายเท่าไหร่ น, น, นานๆจะมีชักทีหนังข้างนังแต่ว่าอารมณ์ทลายชีวิตของคนมากมายตตึกตายฆ่าตัวตายฆ่าคนอื่นตายล่ายกาเสือ อารมณ์นะ่ันก็เกิดจากใจ <c oughs> ที่เราไม่มีสติเป็นผู้ดูแลให้อารมณ์มาคลองใจนึกว่าเราซาอารมณ์มาใช่จิตความโกรธมาใช่จิตความทุกข์ความรักความชังมาใช่จิตมันเป็นอารมณ์นั้นจอบมา เราไม่รู้ก็ต้อนรับมันทำตามมันเสียเปียบมันเสียผู้เสียคน ม, มากแล้วจึงต้องมาดูแลตัวเองจเจริญสติคือมาดูแลตัวเองเนี่ยเราอยู่ที่ไหนก็ต้องดูแลตัวเราไม่ใช่อยู่ที่สุกโต อยู่ที่ไหนก็กายเราอยู่ที่นั่นใจก็อยู่ที่นั่นจิตีก็อยู่ที่นั่นแล้วไม่มีใครเห็นตัวเราเท่ากับตัวเรา <c oughs> ไม่มีใครช่วยเราได้เท่ากับตัวเราอตาหอตาโนจาไม่ได้ภาษาพระพุทธเจ้า จงเตือนตนด้วยตนเองจงแก้ไขตนด้วยตนเองจงมีสติภิกษุทั้งหลายจะอยู่เป็นสุขเตือนตนด้วยตนเองแก้ไขตนด้วยตนเองจงมีสติจะอยู่เป็นสุขณภิกษุทั้งหลายโดยเจ้าสอนอย่างนี้เตยจงมีสติทุกเมื่อ เมื่อจุลดละตามไม่ทันไม่ใช่ไปกลัวอยู่ที่ไหนสติจะรู้จักใช้กายใช้ใจจะคิดจะพูดจะทำํำจะกบจะกินอะไรทุกวันนี้ต้องมีสติมากที่สุดเพราะโลกปัญจอมปลอมอาหารก็จอมปลอมเครื่องใช้ก็จอมปลอม เขาปุงเขาแตง่งรูปรถกินเสียงปุงแตง่งทำไมฉัดโลกติดโกศลาเขาตั้งบริจัทหากินกับคนหลงเฉพาะใบหน้าเราตั้งบริจัทกี่บริจัทไม่รู้นับไม่ท้วนหาจินกับใบหน้าของคนใช่ไหมเหรอเขาหาจิน เขาโขลาออกเขาซื้อเอาเดาวเทียมซื้อเอาท่องฟ้าให้คนกินให้คนใช้ให้คนหลงเขาจะได้ประโยชน์แบบที่ดีที่สุดดื่มแบบที่ดีที่สุดแล้วก็เห็นที่ไหนก็เขาดื่มก็ดูรูปภาพเป็นจะไล่ครึ่งฟ้า น, น้นอ่าน ไปตามถนนทางตาวัดสุขโตบอกว่าหน้าผลดีที่สุดไม่มีใครกินกันก็อจนแป๊บที่ดีที่สุดอะไรดีที่สุดชื่อขอไม่ได้เขาดังโฉนาคนก็หลงไปเด็กเด็ก เรเห็นเขาดูทีวีก็ได้นิสัยแบบการแสดงของทีวีโทรทัศน์ไม่ได้นิสัยจากพ่อจากแม่ไม่เหมือนคนโบราณเด็กมันเป็นดั่งอยู่หน้าทีวีมันไม่ได้มานั่งอยู่ต่อหน้าพ่อหน้าแม่แต่ก่อนคนโบราณเนี่ยกินข้าวเย็นแล้ว ลดกเต้านั่งร้อมพ่อแม่ให้พ่อแม่เล่าเนิ้านให้ฟังนอนเอาหัวกายเขา้าพ่อใครเข้าแม่แม่พ่อก็เล่านิ้อาเรื่องนอนเรื่ น, นี้ให้ฟังบางทีก็ฟังเนิทานไปกันหลับคาเข้าของพ่อของแม่เื่นขึ้นมาไปนอนอยู่ในที่นอนพ่อแม่ต้องอ้วมไปตุกวันนี้มันแม่แมดมามลั่งอยู่กับ พ่อกับแม่นั่งอยู่ต่อหน้าทีวีวันหนึ่งหลายชั่วโมงมนก็ไม่ได้นิสัยไกลกันลอกไประหว่างพ่อแม่กับลูกมันชาตไปคนละแบบคนมีลูกก็ทุกข์เพราะลูกเป็นจำนวนม า, กคน ม, า, มนากคนมีสามีพัญญาทุกข์เพราะมีสามีพัญญาจำนวนมาก นเราจึงต้องพึ่งตัวเองให้ได้ให้มีหลักสักไปอยู่กับโลกอยู่เหนือโลกถ้าเราไม่ฝึกขดเข้มแข็งเก่งมันก็อ่อนแอถูกโลกทับถมได้อ่อนไหวได้ง่ายถ้าฝึกดีแล้วหนักแทนม่่นคงเหมือนภูเขาสิดาแทงทึบ ปูขดสีดาแทงทึไม่จะเถือนเพราะลมฉันได้ผู้ฝึกผลตนดีแล้วไม่จะเถือนเพราะนินทาฉันเฉินฉันนั้นเดี๋ยวนี้แล้วก็นินทาก็เศร้าเศร้าแล้วหวั่นไหวแล้วเสียใจสันเฉินก็ฟูแล้วดีใจปวกลกอารมณ์ของคนไม่ปวกไปลก อยู่ดีใจวบวกเข้ามาเสียใจลบออกไปเรียกว่าผู้ผู้แพร่แพรถ้าเราปึกตั้งกำมั่นคงไม่หวั่นไหวเหมือนหมาเห่าช่างเห็นไหมช่างฮะเพียรเห็นห่าช่างมันเตินเฉยหมาสองตัวเหา่าทั้งสอง้าง หมาหมดสภาพเลย <laughs> จะเห่าเท่าไหรช้างไม่หวั่นไหวสติเหมือนช้างคิเลชธรรม ท, ทั้งหลายเหมือนป๋าตัวหนึง่งภาษาอะไรจะหวั่นไหวอะไรนะไปดูช้างไปดูหมาเห่าช้างทนันะไม่ใช่ไม่ใช่หมีเดี๋ยวเนี่ยมีมาแต่คน หมาห่าช้างไปเมืองบนเห็นคนขี่ช่างไปเมืองล่างเห็นช่างขี่คนเคยได้ยินไหมเกิดมาได้ยินเลยไปเมืองบนเห็นคนขี่ช่างไปเมืองล่างเห็นช่างขีคนคนขี่ช่างกับช่างขี่คนมันจะเป็นยังไงเมืองล่างอะไรเมืองบนที่ไหน ถ้าใจต่ำเป็นมังลางถ้าใจสูงเป็นมนุษย์มนุษย์เป็นคนมันไม่ใช่ขาสองแขนสองเป็นมนุษย์เป็นได้เพราะใจสูงอาจารย์พุทธคัสตรุนโปูชนิยบุคคลฮ่ดูซิหลวงพ่อทองเป็นมนุษย์เป็นได้เพราะใจสูง เหมือนดึงโยงมีดีที่แววขนถ้าใจต่าเป็นได้แต่เพียงคนเป็นอย่างนั้นถ้าใจต่ำต่ำอะไรก็ยินดีใจต่ายินร้ายใจต่ำว่ า, าสริเเริญไม่หวั่นไหวนินธาไม่หวั่นไหวใจสูงไม่กระทบกระทือนละเหมือนหมาหับช้างหมืช้างเดินเฉยเับ อันนี้ก็สมควรเจรจาเอวังก็มีด้วยประการช น, นีดกับพระพร้อมกัน